FM 89.5 MHz สเมรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีเพื่อนเอ้ยรุ่นใหญ่อย่างพวกเราอาบน้ำร้อนมาหลายสิบปีอย่าไปยอมให้ใครมาหลอกง่ายๆพวกขดสนาชวนเชื่อเนี่ยน่าชื่นอกรมมานักต่อ น, นัก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 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเตือนภัยค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตือนภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนำมาฝากกันนะคะเราพบกันในช่วงเช้าของวันพระหั ส, สบดีทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะดิฉันอาทิตยาปกทานังรับหน้าที่ในการดำเนินรายการแล้วก็มาพบกับคผู้ฟังเช่นเคยนะคะในหลากหลายเรื่องราวในหลายเคสที่เราจะมานาเสนอ และพูดคุยกันค่ะอย่างในวันนี้นะคะช่วงแรกของรายการในฉั้นจะขอนําเสนอเรื่องราวของยาชนิดหนึ่งซึ่งเชื่อว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านเองน่าจะเคยได้ยินกันสําหรับยา GHB หรือที่เรียกกันว่ายาเสียสาวหรือยาเสียหนุ่มนะคะจากกรณีของพิตตี้ลาล์เบลที่เสียชีวิตถูกพบที่ล็อบบี้ของโรงแรมอขออภัยค่ะ คอนโดแห่งหนึ่งในย่านตลาดพลูนะคะจากกรณีของนางสาวธิติมานรพันธ์พิพัฒน์อายุ25ปีหรือว่าลาลาเบลพิตตี้สาวสวยซึ่งถูกพบเป็นร่างไร้วิญญาณนอนบนโซฟาในล็อบบี้คอนโดย่านตลาดพลูเมื่อคืนวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยทางด้านของชุดสอบสวนบชนบกอนอ .8 และสอนอบุคโคลกําลังเก็บข้อมูลทั้งหมดเวลานี้ต้องรอผลตรวจของนิติเวชเพื่อนยืนยันเวลาการตายซึ่งยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จนะคะเวลา นีอย่างต้องรอผลตรวจเชิงลึกนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอต่อไปนอกจากนี้นะคะยังมีกรณีหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับนายรัชเดชวงศ์ธ บ, บุตรอายุ2 4ปีหรือว่าน้ําอุ่นเป็นพิตตี้บอยนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ด้วยกําลังมีการตรวจสอบกันว่ายาที่ ทานไปนั้นนะคะพบตัวยาคล้ายกับยาเสียสาวนะคะวายกรา้าแล้วก็ยาชนิดอื่นๆ น, นียนะคะทางลักษณะ น, น้ำแล้วก็เม็ดแข็งด้วยในกระเป๋าของนายน้ำอุ่นจะมีความเกี่ยวข้องกับ กรณีนี้ได้อย่างไรนะคะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสศสิโซผิวเกียรติบุรณกุลภาวิชาอายุรศาสตร์คณะแพทย์ทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ ด, ดีมหาวิทยาลัยมหิดลเองมีการเผยแพร่บทความเรื่องรู้จัก GHB ยาเสียหนุ่มเสียสาวทางรามาชาแนล GHB หรือชื่อเต็มๆนั้นก็คือแกมมา Hy ดรอกซิบูทอรินะคะในภาษาไทยเรามักจะเรียกว่ายาเสียสาวซึ่งอาจจะต้องเพิ่ม ว่าเป็นยาเสยนุ่มไปด้วยนะคะเพราะว่ายาชนิดนี้นั้นมีฤทธิ์ในการกระตุน้นระบบประสาททำให้รู้สึกตื่นตัวรู้สึกสนุกรวมถึงความรู้สึกอยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยปัจจุบันนี้นะคะพบการระบาดในสถานบันเทิงต่างๆมากมายค่ะ GHB นะคะหรือว่าแกมมาไฮดร oxy ีบูโตริกนะคะปัจจุบันนี้เป็นยาในกลุ่มของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทหนึ่งตามพัฒนยัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพฤษศกราช2518ค่ะ GHB นั้นเป็นสารที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญของร่างกายนะคะพบได้ทั่วไปในเซลล์ของมนุษย์และก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม GHB ที่นิยมใช้มักจะใช้ในรูปของเกลือโซเดียมรูปแบบที่ใช้นะคะจะเป็นผงเป็นเม็ดแต่ส่วนใหญ่จะใช้ในรูปของสารละลายที่ละลายในน้ําลักษณะ เป็นของเลวไสไม่มีกลิน่นอ่าขออภัยค่ะไม่มีสีมีรสเค็มนะคะแล้วก็มาจะรู้จักกันในอีกหลายๆชื่อเช่น Liquid S s t a c ซีล q u i d E, อีล quid x หรือ b l ู e v e r b นะคะการออกฤทธิ์ของ GHB นั้นจะกดประสาทระยรแรกค่ะลดอาการวิตกกังวลช่วยนอนหลับทำให้สงบขึ้นอยู่กับขนาดของอยาที่ใช้นะคะแต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาจะกลับรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปเาไม่เกิดอาการเมาค้างเช่นเดียวกับที่เกิดจากการใช้ยา ก, กดประสาททั่วไปเลยค่ะ ร่างกายของเรานะคะดูดซึม GHB หรือว่า อ, อยาเสียสาวเนี่ยนะคะได้ดีเมื่อรับประทานนะคะเร็วเวลาที่ยากออกฤทธิ์นานจะเริ่มออกฤทธิ์ใน 5-20 นาทีเร็วเวลาในการออกฤทธิ์นานอยู่ที่ 1.5 ึถึงสชั่วโมงนะคะภายหลังจากการฉีดเข้าไปแล้ว 4-5 ชั่วโมงจะไม่สามารถตรวจพบ GHB ในปันสสาวะได้ค่ะในทางการแพทย์เองนะคะการใช้ GHB ที่สังเคราะห์ขึ้นมานั้นก็จะเป็นลักษณะของการใช้เป็นยาสลบนะคะยานอนหลับยาัก สภาวะง่วงหลับใช้สําหรับช่วยในการคลอดตลอดจนใช้รักษาผู้ป่วยโรคพิซุราเรื้อรังนะคะนอกเหนือไปจากการแพทย์แล้วยังมีการใช้ GHB ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยเนื่องจากว่า GHB นั้นมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่งของกรดฮอร์โมนหรือฮอร์โมนถึงการเจริญเติบโตและกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนของร่างกายค่ะ พูดอย่างนี้แล้วนะคะเราจะเห็นว่ามีการนํามาใช้ในด้านการแพทย์แต่ว่า GHB หรือว่ายาเสียสาวเองนะคะเมื่อฟังค่ะมีข้อเสียนะคะก็คืออันตรายนะคะถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะจะมีภาวะคล้ายกับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มีความเคลือบเพลิมเป็นสุกแล้วก็กระตุ้นความรู้สึกทางเพศซึ่งฤทธิยาสนะ ด, ดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นสาเหตุสาคัญนะคะที่ทําให้ผู้ใช้ยานั้นเบี่ยงเบนวัตถุประสงค์ของการใช้ยานําไปใช้ในทางที่ผิดกันนะคะถึงแม้อาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจาก GHB เป็นอาการที่ไม่รุน เช่นง่วงนอนมืนงงคลื่นไส้อาเจียนเคลื่อนไหวลำบากโดยในขนาดยาที่สูงมากนะคะจะมีผลให้เกิดการกดการทำงานของหัวใจกดการหายใจชักแล้วก็หมดสติได้การใช้ GSB โดยรู้เท่าไม่ถึงการเช่นใช้ในขนาดที่สูงมากใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์และยากประสาทอื่นๆจะทำให้เกิดการชักการหายใจถูกกดและหมดสติ นอจากนี้นะคะขนาดยาที่ทำให้ถึงระดับการออกฤทธิ์แต่ละบุคคล น, นั้นอาจจะต่างกันมากหรือน้อยก็ไม่อาจคาดหมายได้นะคะการนำยามาใช้ในทางที่ผิดโดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์จะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ จากข้อมูลการใช้ยาในทางที่ผิดในต่างประเทศนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีการนำ GHB นะคะมาทดแทนยา E เนื่องมาจากว่ามีฤทธิ์ที่คล้ายกันก็คือผู้ชายนั้นจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการถูกสัมผัสและมีความรู้สึกเคลิบเคลิมเป็นสุขโดยจะเตรียมอยู่ในรูปสารละลายบรรจุในขวดเล็กๆนะคะประมาณ 30-50 มลลตรขนาดยาสาหรับการเสพแต่ละครั้งจะใช้ตวงจากหนึ่งฟ้าของขวดค่ะ ยังก็ตามแล้วนะคะสำหรับ GHB หรือว่ายาเสียสาวนี้นะคะเป็นยาเสพติดที่ห้ามีไว้ในครอบครองค่ะคุณผู้ฟังผู้เสพ ต, ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึงปีและปรับตั้งแต่ 2,000 20, บาทถึง 1,000 บาทมาตรา1 6ึตรีผู้ผลิตขายนำเข้าหรือส่งออกต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 1, 0 0 0 0บาทถึง 40,000 บาทมาตราแค่ะ เมื่อทราบอยงนี้แล้วนะคะใครที่เป็นสายท่องเที่ยวยามค่ําคืนนะคะก็ไม่ควรที่จะรับเครื่องดื่มรับอาหารจากคนแปลกหน้านะคะหรือคนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่รู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจนะคะไปทานอาหารกับใครเมื่อลุกไปห้องน้ําแล้วกลับมาที่โต๊ะต้องเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนเครื่องดื่มค่ะที่สําคัญนะคะถ้าหากว่าจําเป็นที่คุณจะต้องไ ป, ไปไหนกับใครที่คุณไม่สนิท ด, ด้วยนะคะ2ต่อ2แนะนําว่าต้องพาเพื่อนที่ไว้ใจได้ไปด้วยหนึ่งคนเลยค่ะ ขอบุณข้อมูลนี้ด้วยนะคะจากกลุ่มวิจัยและพัฒนาสำนังงนกงานคณะกรรมการอาหารและยาและทางเว็บไซต์ข่าวสดค่ะพั ก, กัสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ามีข้อมูลที่น่าสนใจจาก DSI ตอนนี้เตือนนะคะประชาชนระวังนะคะตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยจะหลอกคุณไปลงทุนแชร์ลูกโซ่แต่เขาไม่บอกคุณหลอกว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะคะเขาจะบอกว่าเป็นการซื้อแพ็กเก็ต ลงทุนเงินระยะสั้นกำไรสูงเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในช่วงหน้าแน่นอนนะคะเราไปถึงเรื่องราวการเตือนตอนนี้มีทองปลอมระบาดนะคะใช้คำว่าทองโคลนนิง่งค่ะ มาสู่ช่วงนี้นะคะกับเพื่อนเตือนภัยค่ะในช่วงนี้มีการแจ้งเตือนจากของ DSI นะคะหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะคุณผู้ฟังเตือนประชาชนค่ะระวังมิจฉาชีพหลอกให้คุณนั้นไปลงทุนแชร์ลูกโซ่นะคะแต่เขาไม่บอกข่าว่าเป็นแชร์ลูกโซ่แต่จะบอกว่าเป็นการซื้อแพ็กเกจน ะ, ะจ่ายระยซสั้นแต่ได้กําไรสูงค่ะท่นานนั้นของพันตารวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกมาระบุนะคะว่า DSI ค่ะได้รับข้อมูลริ บริษัทแห่งหนึ่งมีการแสดงเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นบริษัทมหาชนนะคะมีทุนจดทะเบียนสูงกว่า300ล้านบาทเชิญชวนประชาชนทั่วไปให้สมัครแพ็กเกจลงทุนกับบริษัทอ้างไว้ผลตอบแทนสูงนะคะรับเงินปันผลสูงสุดกว่า4ล้านบาทซึ่งเงินปันผลดังกล่าวนี้ค่ะเรียกว่าเงินปันผล ROI หรือการแบ่งผลประโยชน์จากการร่วมกันลงทุนโดยจะมีการจ่ายเงินปันผล ROI ให้กับสมาชิกทุกวันศุกร์จำนวน95งวดหลังครบ 95งวดจะมอบหุ้นให้ถือครองตามแพ็กเกจที่จองเอาไว้และสามารถเลือกจะรับปันผลต่อไปหรือขายหุ้นก็ได้ตามความสมัครใจของผู้ลงทุนนะคะสําหรับการลงทุนในแพ็กเกจต่างๆมีตังต้ ง, ตงแต่แพ็กเกจลงทุน 1,000 บาทไปถึง1ล้านบาทเลยค่ะเช่นแพ็กเกจลงทุน 1,000 บาทรับผลตอบสัปดาห์ละ50บาททุกสัปดาห์จำนวน95ครั้ง รวมรับเงินปันผลสูงสุด 4,750 บาทและรับหุ้นสามัญบริษัท10หุ้นแพคเกจลงทุน1ล้านบาทรับปันผลสัปดาห์ละ 5,000 50, 0บาททุกสัปดาห์จํานวน95ครั้งรวมรับเงินปันผลสูงสุดอยู่ที่ 4,750,000 บาทและรับหุ้นสามัญบริษัท 10,000 หุ้นอาตัวอย่างนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการสร้างความเชื่อมั่นกับ สมาชิกบอกว่าเงิ น, นผลตอบ ROI ซึ่งจ่ายให้กับสมาชิกรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์เนี่ยไม่ใช่ดอกเบี้ยนะคะไม่ถือเป็นการจ่ายดอกเบี้ยเกินกฎหมายกําหนดซึ่งทางนั่นของ DSI นะคะขอแจ้งเตือนประชาชนทั่วไปค่ะระมัดระวังการลงทุนรูปแบบดังกล่าวนะคะและขอแจ้งเตือนให้ทราบว่าแช่ลูกโซ่นั้นมักจะมาในรูปแบบของธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์การตลาดที่น่าสนใจโฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนรียสั้นอ้างว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอัตราที่สูงค่ะโดยใช้วิธีการนําเงินจากผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิก ใจพ้นตอบแทนให้กับสมาชิกเก่าเพื่อเห็นว่าธุรกิจสามารถดําเนินการได้จริงภายหลังรำมทุนได้มากแล้วนะคะก็จะหยุดดําเนินการและหลบหนีไปพร้อมเงินของผู้เสียหายค่ะซึ่งก็จะเกิดความเสียหายลุกลามอย่างรวดเร็วเลยนะคะฉะนั้นขอให้ประชาชนเองระมัดระวังในการเข้าร่วมลงทุนธุรกิจต่างๆศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจก่อนเข้าร่วมลงทุนและหากว่าคุณมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะมี มาชักชวนลงทุนแบบนี้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะสายด่วนกรมสับสวนคดีพิเศษ1202ค่ะ เดี๋ยวนี้นะคะเรื่องของแชร์ลูกโซ่นั้นก็จะมาในหลากหลายรูปแบบที่จะมีการหลอกล่อให้ลงเชื่อไปลงทุนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครจะชวนไปลงทุนยังไงเรียสั้นได้ผลตอบแทนสูงอะไรยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาอั ญ, ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทองโคลนนิ่งกําลังระบาดเลยค่ะหลายเว็บไซต์ที่มีการขายทองคํานะคะก็จะมีการโฆษณา ขายกันเต็มไปหมดเตือนผู้บริโภคนะคะพิจารณาให้ดีก่อนเลือกซื้อเป็นทองคําเก๊ไม่ใช่ทองจริงไม่มีราคาและไม่สามารถขายต่อได้นะคะทา้งนั้นของคุณดวงกมลเจียมบุตรค่ะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาอั ญ, ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเปิดเผยว่าขณะนี้มีการขายสินค้าอั ญ, ญมณีและเครื่องประดับรวมถึงทองคําผ่านทางออนไลน์จนํานวนมากเลยค่ะโดยเฉพาะทองคําที่ขณะนี้เนี่ยบางเว็บไซต์มีการโฆษณาว่าผลิตและจําหน่ายทองคําโคลนนิ่ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทาให้ได้ทองคำโคลนนิ่งที่ใกล้เคียงทองคำแท้มากที่สุดราคาถูกจึงขอเตือนผู้บริโภคนะคะว่าทองคำโคลนนิ่งคือทองคำปลอมค่ะซึ่งไม่มีค่าแล้วก็นำไปขายต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น ก่อนจะซื้อต้องพิจารณาให้ดีไม่อย่างนั้นคุณอาจจะมีการเสียใจยในภายหลังได้ค่ะขณะนี้นะคะฟังและสะดุดหูมากเลยนะสำหรับคำว่าทองคำโคลนนิ่งนะคะบางครั้งเนี่ยผู้ซื้อก็ไม่รู้ว่าเป็นทองคำแท้หรือไม่ฉะนั้นนะคะ ทางนั่นหอศานเองเนี่ยเขาบอกว่าก่อนซื้อเนี่ยต้องพิจารณาให้รอบคอบดูจากอะไรนะคะเป็นร้านค้าที่น่าเชื่อถือไหมมีตราสั ญ, ญลักษณ์ซื้อด้วยความมั่นใจหรือตราสั ญ, ญลักษณ์ BWC by with confidence นะคะติดที่หน้าร้านซึ่งจะช่วยในการรับประกันได้ระดับหนึ่งะคะว่าสินค้าที่ซื้อจากร้านนี้เนี่ยเป็นของแท้มีคุณภาพมาตรฐานรวมถึงต้องอเรียกหาใบรับรองคุณภาพสินค้าจากร้านค้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสังเกตตราสั ญ, ญลักษณ์ คอมารที่ตัวสินค้าด้วยซึ่งจะเป็นตราประทับนะคะรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่านอกจากนี้นะคะจากการที่ประชาชนนําทองคํามาให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันตรวจสอบก็พบว่ามีการผลิตและหลอกขายสินค้าทองคําปลอมมากขึ้นทั้งทองคําแท่งทองรูปภัณฑ์รวมถึงพุทธ ร, รูปทองคํานะคะโดย ผ, ผู้ผลิตหัวสายบางรายในเขามีการใช้โลหะซึ่งมีน้ําหนักใกล้เคียงทองคําอย่างเช่นทางสเตนซึ่งเราจะเห็นว่า นำไปทําเป็นไส้หลอดไฟนะคะก็มาทําเป็นทองคําแท่งหรือพุทธรูปแล้วก็ชุบทองคําหลายชั้นด้วยเพื่อให้เห็นว่าเป็นทองคําแท้หรืออาจจะใช้โลหะชนิดอื่นมาทําอีกนะคะอย่างเช่นตะกั่วชุบทองซึ่งมีน้ําหนักน้อยกว่าทองคําค่ะแต่เมื่อทําออกมาเป็นเครื่องประดับเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าทองคําแท้หรืออาจจะใช้ทองเหลืองร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวก็ตามแล้วค่ะในการตรวจสอบทองคําปลอมแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นร้านขายทองคําก็จะมีการใช้วิธีการตะไบลึกเข้าไปในเนื้อทองคําเล็กน้อย เท่านั้นนะคะทำให้ไม่รู้ว่าวัสดุด้านในเป็นอะไรหรือบางครั้งตะใบไปแล้วก็พบว่าเป็นสีเหลืองๆก็จะคิดว่าเป็นทองคำทั้นที่จริงแล้วนะคะคือทองเหลืองค่ะส่วนถ้าเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบหรือว่าห้องแลบขนาดเล็กที่มีเครื่องมือตรวจสอบไว้ได้มาตรฐานนะคะก็อาจจะตรวจสอบไม่พบว่าเป็นของปลอมเพราะจะใช้เพียงการยิงเลเซอร์เท่านั้นแต่เลเซอร์จะไม่สามารถยิงไปถึงเนื้อด้านในได้นะคะสําหรับห้องแลบของทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอั ญ, ญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติองค์การมหาชนเนี่ยนะคะก็จะมีเครื่องมือได้มาตรฐานดีที่สุดในประเทศนะคะตรวจสอบได้หมดค่ะว่าโลหะไดเป็นของแท้หรือของปลอมอย่างทองคําชุบหลายชั้นเนี่ยสถาบันก็ใช้คลื่นอัลตราโซนิกตรวจสอบนะคะถ้าเป็นทองคําทั้งหมดความถี่ของคลื่นอัลตราโซนิกจะออกมาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นทองคําชุบด้านนอกแล้วด้านในเป็นทางสเตนหรือว่าตะกั่วคลื่นจะออกมาต่างกันทําให้ได้รู้ว่าอันนี้แหละเป็นทองคําแท้หรือว่าทองคําปลอมนะคะฉะนั้นก็ฝากถึงประชาชนที่มีโลหะมีค่า เพชรพลอยทองคําสามารถนําเครื่องประดับนะคะมาให้ทางสถาบันอัญมณีอ่าขออภัยค่ะสถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนตรวจสอบให้ได้นะคะสามารถนําไปตรวจสอบได้เลยค่ะก็มัาระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ในการซื้อเครื่องประดับทีก็ต้องดูอย่างละเอียดนะคะไม่ใช่แค่ลวดลายที่ถูกใจเท่านั้นแต่ต้องดูด้วยว่า ทองของคุณนะคะเพชรพลอยต่างๆที่เราซื้อไปนั้นเนี่ยเป็นของจริงหรือไม่นะคะภักดิสครูหนึ่งก่อนช่วงหน้ามาติดตามข่าวคราวจากจังหวัดตากและนครสวรรค์นะคะเรื่องราวอะไรรอติดตามกันในเพื่อนตนไัยค่ะ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 เพื่อนทันภัยในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะเราไปกันที่จังหวัดตากคุณผู้ฟังคะเรามักจะเตือนกันเสมอนะคะว่าอย่าลืมเด็กๆ เ, เอาไว้ในรถแต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งกรณีนะคะที่เด็กๆ เ, เนี่ยเล่นซ่อนหากันแล้วก็เข้าไปซ่อนในรถเพราะว่าผู้ปกครองนั้นลืมล็อกรถนะคะกลายเป็นว่ารถล็อกและไม่สามารถเปิดได้สุดท้ายต้องเรียกให้กู้ภัยมาทุบกระจกค่ะ เรื่องราวนี้นะคะเปิดเผยโดยหัวหน้าหน่วยกู้ชีพแม่กืดหลวงคุณกิติศักดิ์บุญจันทร์นะคะที่เผอแม่สอดจังหวัดตากเองมีการได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือเด็กชายติดภายในรถยนต์และออกจากรถไม่ได้นะคะรเรื่องราวเกิดขึ้นค่ะ22กันยายนที่ผ่านมาอยู่ในหมู่บ้านแม่บ้า น, แ ม, านแม่กืด3าท่าหมู่หําตบลแม่กา3ามอำเภอแม่สอดนะคะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นลานจอดรถติดกับบ้านพักริมถนนกลางหมู่บ้านมีกลุ่มชาวบ้านจํานวนมากเลยค่ะก็ไปออกันนะคะ เป็นรถยนต์นะคะรถเก๋ง จอตากแดดอยู่มีเด็กชายชื่อว่าน้องถาปกรณ์แก้วยะอายุ3ามขวบติดในรถไม่สามารถออกได้มีอาการขวัญเสียแล้วก็ตกใจเหงื่อแตกหลายโชคตัวเลยค่ะเนื่องมาจากว่าสวมใส่เสื้อและกางเกงขา ย, ยาวแบบหนาติดอยู่ภายในรถนานไม่ต่ำกว่า40นาทีแล้วนะคะซึ่งทางนั้นของหน่วยกู้ชีพและชาวบ้านเนี่ยก็มีการรวบรวมระดมสารพัดวิธีค่ะจะเปิดล็อกประตูรถยนต์เพื่อช่วยเหลือเด็กชายรายนี้แต่ไม่สําเร็จสุดท้ายนะคะต้องใช้วิธีในการทุบกระจกข้างรถจนแตกถึงสามารถเปิด เปิดประตูนำตัวเด็กชายออกจากรถก่อนพระปกครองเด็กชายรายนี้จะเข้ากอดลูกชายด้วยความห่วงใหญ่นะคะเบื้องต้นตรวจสอบแล้วร่างกายของน้องมีการอิดโรยแต่ว่าอาการปลอดภัยพร้อมเร่งปลอบขวัมจนเด็กชายหายตกใจก็ ออกวิ่งเล่นตามปกตินะคะท่ามกลางความโล่งใจของชาวบ้านที่มาลุ้นปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้ค่ะสอบถามเบื้องต้นนะคะทราบจากคุณพ่อของน้องถาปกรณ์นะคะก็บอกว่ามีการนํารถยนต์คันเกิดเหตุมาจอดไม่ได้ปิดล็อกประตูรถแล้วก็ไปทํางานนอกบ้านตามปกติมีเพียงนางแม่ซึ่งเป็นคุณแม่เฝ้าดูแลบุตรชายต่อมานะคะเด็กชายพร้อมกลุ่มเพื่อนอีกหลายคนก็ชวนกันวิ่งเล่นตามประษาเด็กนะคะก่อนที่เด็กชายถาปกรณจะแอบเข้าไปหลบซ่อนในตัวรถยนต์จนเพลกดปิดล็อก ประตูค่ะขณะที่คุณแม่เองทำกับข้าวในบ้านเกิดความสงสัยก็ตะโกนหาลูกแต่ไร้เสียงตอบรับและเมื่อกลุ่ ม, มเพื่อนที่วิ่งเล่นก็หายตัวไปหมดจนมาพบกับลูกชายติดในรถต้องขอหน่วยกู้ชีพมาช่วยนะคะก็เลยต้องตัดสินใจทุบกระจกรถแตกจึงสามารถนำตัวลูกชายออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าวัยเด็กนั้นก็เป็นวัยที่เพิ่งจะเริ่มเรียนรู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอย่างที่เรามักจะเห็นกันตลอดก็คือเราที่เป็นผู้ใหญ่เองเนี่ยต้องมีความระมัดระวังให้กับเด็กๆที่ไม่รู้ปรปราษาด้วยนะคะอย่างในกรณีนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ดิฉันนามาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่ว่า เวลาที่เราทำอะไรก็จะไม่ประมาทนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องราวจตนครสวรรค์นะคะแก๊งมิจฉาชีพปลอมลายหลอกญาติสาวไทยในต่างแดนให้โอนเงินนะคะตอนนี้มีการขอเคลียร์เหยื่อหลังถูกแจ้งความจับสุดท้ายก็ยังเบี้ยวจ่ายไม่หมดทางด้นานขอเจ้าของบัญชีบอกว่าโดนหลอกเหมือนกันตามจี้ให้ใช้นี่ถึงบ้านมาแล้วค่ะ ความคืบหน้ากรณีแก๊งมิจฉาชีพเปิดลายปลอมใบหน้าหลอกให้ญาติสาวไทยที่มีสามีต่างประเทศทั้งเยอรมันนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์โอนเงินให้ต้องเสียเงินรวมกันนับสิบล้านบาทนะคะทางด้านต่อมาค่ะคุณจีรนุชทุกเครือเจ้าของกิจการค้าขายปลาราเขยเล้าในฮอลแลนด์พร้อมสามีซึ่งเป็นญาติของยาบสตัมอดีตกองหลังชื่อดังของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนางนัทชาริกา ชอนเกสอีกอลนะคะซึ่งก็เป็นเหยื่อในการถูกหลอกเงินไปกว่า 148,000 บาทค่ะได้มีการแจ้งความนะคะกับรองสารวัตรสอบสวนสพแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์นะคะเพื่อดำเนินคดีกับนางอรนันสิงหาสารอายุ21่ปีค่ะอยู่ที่ตำบลแม่เปิลอำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์เจ้าของบัญชีที่หลอกเหยื่อให้โอนเงินให้ โดยทางด้านของคุณณัฐาริกาเองนะคะได้เข้าไปพูดคุยกับทางด้านของเจ้าที่ตารวจที่สพแม่เปิล น, นะคะหลังจากมีชายอ้างว่าเป็นญาติของนางอรนันสิงหาสารสาววัย21ปีจะขอชใช้เงินดังกล่าวให้กับนางณัฐาริกาแต่จะขอผ่อนเป็น ง, ดงวดๆแต่นางณัฐริกาจะขอรับเงินคืนแบบงวดเดียวไม่มีการผ่อนชาระยังก็ตามแล้วนะคะต่อมาก็มียอดเงินเข้าบัญชีอยู่ที่ส0 0 0มบาทนางณัฐริกาค่ะก็เลยมีการนํำสเตตเมนต์มาพบพนักงานสอบสวนใช้เป็นหลักฐาน เพิ่มเติมดำเนินคดีกับแก๊งปลอมลายหลอกเหยื่อคนไทยในต่างแดนและจะญาติให้โอนเงินให้นะคะทางด้านของคุณสมบัติพุกแฟงค่ะซึ่งคุณคนนี้เนี่ยนะคะถูกใช้บัญชีหลอกให้เหยื่อโอนเงินนะคะก็มีการเข้ามาให้ปากคํากับตํารวจที่เรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะว่าถูกนางอร น, นันใช้บัญชีหลอกเหยื่อให้โอนเงิน ซึ่งตนเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยค่ะบัญชีก็อยู่กับตัวของนางอรนันอีกทั้งยังถูกปลอม Facebook หลอกเหยื่อ ด, ด้วยทําให้ครอบครัวของตนนั้นเดือดร้อนมากครอบครัวตนเองรู้จักครอบครัวของนางอรนันตัวเองกับปิดาก็เคยไปพูดคุยกับนางอรนันแล้วก็มีการรับปากนะคะว่าจะชดใช้นี้ให้กับนางนัทธริกา ท, ทั้งหมดแต่ผิดคําพูดถึงวันนี้ก็บ่ายเบี่ยงนะคะว่าไม่มีเงินกําลังหาให้ทําให้ตนเค็ดกับการมี f เฟซบ o ๊คละลายจะเลิกเล่นแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีภัยถึงขนาดนี้ค่ะยังก็ตามแล้วนะคะหลังจากตกเป็นข่าว ก็พบว่ามีเหยื่อที่โดนหลอกหลายรายเลยนะคะติดต่อผ่านคุณณฐาริกาเพื่อสอบถามถึงการดำเนินคดีกับแก๊งนี้คาดว่าจะมีผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดีกับแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้เพิ่มเติมอีกจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็มีรายงานจากแหลง่งข่าบอกว่านางอรนันซึ่งเป็นมิจฉาชีพเนียนะคะอยู่ในพื้นที่ไม่ได้หลบหนีเลยค่ะแล้วก็ยังมีคนเห็นเข้าออกบ้านพักอาศัยประจํานะคะจากนั้ น, นของสารวัตรสอบสวนสพแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ น, นะคะพันตารวจโทฉัดเพชรศิลาบอกว่าผู้เสียหายที่โดน ล, ลอก นนั้นให้โอนเงินเนี่ยสามารถเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมที่สพแม่เปินตลอดเวลานะคะขณะทีการแจ้งข้อกล่าวหาตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานว่าจะเข้าข่ายความผิดใดบ้างพร้อมยินยันจะทำคดีถึงที่สุดเพื่อเอาตัวคนผิดมาลงโทษต่อไปค่ะ ตอนนี้นะคะใครมีโซเชียลมีเดียก็ต้องระวังกันด้วยนะคะว่าบางครั้งเราอาจจะถูกแอบอ้างกันได้นะคะรู้ตัวอีกทีก็มีการมีหมายหรือรู้ตัวอีกทีก็มีเจ้าหนี้นะตามมาทวงนี้ถึงหน้าบ้านกันแล้วนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่นํามาคุยกันในเพื่อนเตือนภัยค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าทาง fm 89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีนะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาประกทานนางและทางทีมงานต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรายการเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สรับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลายโโยัา ย, า ย, าลายแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8.5 MHz เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต